นะตามตามกรรมนี่ปฏิบัติธรรมได้ <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติมีสติพอถือว่าถูกต้อง แต่ถ้ามีแต่ความรู้สึกตัวฝึกจนชนิชนําแล้วก็เป็นแต 14 จังหวะไป จังหวะที่เคลื่อนไปลู่ไปพร้อมๆกันกับบริบทที่เคลื่อน มันก็มาชัดตัวรู้ตัวเดียวน่ะอยากให้มันไคลยามันหาย จะมีตัวละก็ถูกต้องแล้วอยู่โดยชอบแล้วถ้าจะเป็น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 อารมณ์สึกตัวก็ปฏิบัติสม่ำเสมอไม่มีขึ้นไม่ลงไม่มีภูไม่แปรบไม่มีสุขไม่ ordinary เสียงก็อันเนื่องกันปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติต่อสทุกข์ปฏิบัติสมควรปฏิบัติไม่เป็นอะไรกับอะไรนั่นคือตัวการเจริญสติ อ่าดำเนินอยู่อย่างนี้ ถ้าไม่มีความรู้สึกตัว sedan att man har gjort det, då vara och hållet kritisk. Det är inte så att man måste vara helt och hållet kritisk. Det är inte så att man och är inte så att man måste vara helt Det เห็นความคิดมันก็ทักท้วงไปเองเห็นกามราคะมันก็ทักท้วงไปเองเห็นพยาบาทมันก็ทักท้วงไปเองมัน มันเอ่อปนปนปลอมๆมาเอ่อ ไปว่าไปจับปลาถ้าไม่ใช่ปลาไปเอาท่อนไม้ไปเอาใบย่าไปเอาแมลงมันก็ไม่เอาก็คนที่จับปลาก็ แล้วอันไหนที่มันไม่ใช่ธรรรมัติเอากระดาบวางมันก็เอาเราได้มีความรู้สึกนะแต่ล้วนถ้าความเอาถือเอาถ้า โกรธก็เอารักก็เอาฉังก็เอาสุขก็เอา นำไปสมรู้ตัวตัวเป็นเอ่อเป็นหลังเป็น อ่าตารู้สึกตัวเนาะไปได้เยอะแต่ไม่พบรูปที่ต่อมากับน้ําหายใหญ่ไหลมาวัด เอาใน ของที่มันหลุดออกไปแต่ของที่มันไม่ยังยังไม่หลุดของที่มันหลุดออกไปแล้วประการละมันไม่ใช่มันไม่ดีของที่มันจริงมัน ความหลงอยู่ไม่ตลอดความทุกข์ก็อยู่ไม่ตลอดความไม่ ริญนะตัวปฏิบัติธรรมจริงๆพระพุทธเจ้าจึงเพียง <c oughs> เมื่อไปทําอะไรไหนผู้ใดแม้บวชใหม่ถ้ารู้สึกตัวมีสติก็ไปได้คนเดียวไม่ใช่เป็น ไอ้นายพนมเราจะมา ต้องมีสูตรทางคณิตศาสตร์นะวิทยาศาสตร์นะเหมือน เห็นกายเห็นเป็นรูปนั่นแหละมันก็เอานิ้วแคะมือตัวน้ําพอไปเอาฉะนั้นมันแค่ไม่ได้ แทกกินข้างหน้าเอาออกไปกินที่ไว้ใช้ลดของชีวิตของเราก็ต้อง เห็นใจเห็นเป็นรูปอ่าเห็นมั้ยเห็นรูปมั้ยมันมันเป็นรูปเห็นใจเห็นคือคนตายคือท่อนไม้ท่อนปืนอ่าเราจะต้องให้ ไม่ใช่น่ะมันเป็นกรรมโดยซ้ําไปหายใจเข้า ทั้งยังทุคยังทุคยังโลภยังโกรธยังหลงยังรักยังชังยังอินทรีย์ยังชินใสยังชอบยังไม่ชอบวิบากกรรมอะถ้ามันพ้น นามนี้ถ้าเราไม่ฝึกก็ยิ่งจบก็จบกันไปเลยไม่เป็น ออกผิดออกโทกับเรื่องอะไรทั้งหมดกับแสงแดดเห็นละอองฝนกดชนะกับละอองฝน ดาวาเชลลูกมันมีอาการต่อไปนามไม่มีอาการเลยความโกรธเป็นอาการความทุกข์เป็นอาการความรักความชังเป็นอาการของนามถ้าปฏิบัติไปมีสติสิ่งเหล่านี้จะหายไปเหลืออยู่แต่ความบริสุทธิ์และคือ แต่รูปไม่มีวิมุตติมีวิมุตติก็มีแต่เรื่องของหนาวเป็นความหิวไม่มี <c oughs> มันหมดตรงกันน่ะแต่มันก็พ้นพ้นในสิ่งๆไม่ เหลือแต่เวทนาล้วนๆไม่มีอุปาทานถ้าเป็นเวทนาเหลือแต่สัมผัสล้วนๆไม่มีสมมุติปัญญาไปไม่ แล้วน้อยๆก็แล้วแต่กิริยาทั้งโลกทั้งนานแต่ลูกก็นอนก็เป็นกิริยาขับถ่ายเป็นกิริยาอันอื่นไม่มีอะไรไม่มีกรรมกินไม่ใช่เป็นกรรมแต่ก่อนกินเป็นกรรมนะมันชอบวันนั้นทําไมชอบวันนั้น ทะเลาะกันด้วยการกินบางทีก็เอาคิดเข้าจํา จะกินร้อนได้เย็นอยากกินเอ่อจืดได้ ปกติแล้วเราก็มีคิดแล้วนักบวชอะไรที่มันมาก็จะ กิวออนก็มีเท่านี้ตามพื้นเท่านี้รดน้ําให้ดีนะอย่าให้ขาดก็ลุงก็เลี้ยงอย่าให้สกปรกนะอย่า เอ่อโรงโอ้สวยดีหรูดีโก๋ดีไม่ ไสยกันนิย الله ทองฮะรุ่นแหละนั่นแหละอย่าพูดแต่ นะแก้วยาแก้วนึงอเมริกาโอ้ยเกลื่อนเลยก็กินยาก็ใช่ว่ายาเอ่อ อาหารก็ก็ธรรมชาติแล้วเมื่อวานนี้ประชุมพอเสนอเรื่องนั้นพองานวัดก็ ประเพณีไม่เคยเห็นประเพณีประเพณีของเราคนโบราณนี่ถ้านะแจงบอนบ่แม่นบ่แจงบอนแม่นบ่บุญ เก็บดูกมูลกฐินแต่งบอนแต่งผักตัวตวงมันเลยสืบสารประเพณีอ่าก็กับเจ้าพรานอำเภอในนี้จาก เป็นชุมชนไปก็เลยขอข้าวก้อยข้าวข้าวของพระผึ้งแดงก้อยโอ้ยต้อง <c oughs> คำพระแวงใหญ่แวงน้อยก็โท จะให้มีปัญหาเรื่อง คนมีกิเลสมีความโลภอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ถูกเสพ การกินดื่มธบัต มุกห้องใจก็บกพร่องผิดพลาดไม่มีไม่มีผู้ดู หลังหนึ่งที่คนตุ่มก็ลองซ่อมดู <c oughs> มันจึงตั้งแต่เริ่มต้นทำกลางได้ที่สุด เอาให้คนละโลกเลยความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาอ่าคนละโลกกับเราแล้วแล้ว อาลัยโศกตาลัยไม่ได้ดูแลก็ไม่ แม่นไว้จับไม่มีมีดแรงมาป้อนลูกโอ๋นกตัว <c oughs> <c oughs> มองไปข้างล่างเห็นไก่แม่ลูกอ่อนขี้คุ้ยเขี่ยหุ้ยเขี่ยหาแมลง นะว่ามีความเมตตากล้าน้ากันน่ะนกกี่พอได้เด้โตไก่ไปแล้ว สำหรับความทางก็ไม่ได้นะถ้าจะอยู่ในโลกยังไงมันมีโลกอันดีอันพ้นไม่ โยไดก็แม่นๆโอ้ยคิดทอดลูกทอดผัว แก่งก่อนตอนที่นั้นๆย่อมเป็นที่น่าลื่นหล่นเนาะไม่ใช่วันอยู่ที่ พอยังโกรธเปิ่นเถอะทุกข์ยังทุบเยอะโลกยังล่มเขาไปกันไกลแล้วทุกวันเนี่ยเป็นมนุษย์กันแล้วใจสูงแล้ว เป็นงูเหลืองใหญ่เลื้อยอยู่โน่นมันเขาอ่าเออเราต้องฝึกฮะไปนะไม่มีเจ็บหรือ นะมีแต่ความรู้สึกตัวการมีความรู้สึกตัวไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่ สัตว์พราหมณ์แพทย์สู่พอเกิดทําให้ในสวรรค์ไม่มีเลยนะไม่มีเลยคนมายังไงก็มามีสติก็มีสติ มันหลอกแกย้อมมวยก็ว่าเองนะกับพระอะไรกันพระหัว อ่ะคือ tempo แจ้งไม่โอ๊ยไม่ดีไม่ชัดอ่าอ่ะพร้อมกับ Vaka tova ta sammo sammam namah sam. Lupa di panuva tova ta sammo sammam namah.